เรานปฏิบัติ้ะให้เจนเจนไปชื่อในการปฏิบัติของคนให้มันพิจารณาเหตุผลเรื่องการปฏิบัติตัวขอเราปฏิบัติเสียงแฉะนี้การเป็นอยู่ทุกอย่าง ทางกายวาจายใจหกเราที่เจ้าหน้าดูถ้าผู้อื่นปฏิบัติอย่างเราหรือพระพุทธเจ้าทรงชักประทําเหงั้นเราทุกวันนี้จากแขนะจะมีปูนับถีบหรือไม่มีเพียเพียงสือฝ่าตัวของสูว ทหามันตืวจสอบการปฏิบัติเกียงกับชื่อปฏิบัติอย่างไรประชาชนควรจะเลี่ยมไส่ในตัวของตัวเองเลี่ยมใส่หรืไม่เลี่ยมใส่การปฏิบัติของตนชาวบุคคลผู้ใดมันตรวจสอบที่นี้ที่เจรณาอย่างจะเห็นความบกพร่องหรือความสมบูรณ์ของตนในการการปฏิบัติตนของตนจะเป็น คนข้างคนเอง่ต้องไปสิ้นทาอาศัยบุคคลผู้อือน่นโื่อันแนบที่เราที่ไม่คิดเจรณาส่วนใดที่บอกช่องก็อความรปฏิบัติให้สมบูรณ์ขึ้นส่วนใดที่สมบูรณ์ก็ต้องระวังรักษาให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นไปเมื่อส่วนใหญ่นะักปฏิบัติไม่เป็นอย่างนั้นไม่ใครไม่คิดถึงเรื่องของตอนจะอยู่ก็อยู่ไปตจะชื่อหรือสีผ้า เขาคิว่าละนักปฏิบัติหรือพระผู้ดงสว่าดิ์พระกรรมฐานคนที่สุดไมาคิดอ่านเรื่องของตนเลยอยู่ไปอย่างนั้นจิตใจมันจะส่ายแสบโดยการใส่แสบของอารมณ์อย่างไรไม่คำนึงคำนวนถึงวันล่วงไปคืนล่วงไปเดือนปีล่วงไปอายุพรรษาก็าแก่เขาเขาก็สมมุติให้ว่าเป็นอาจารย์แต่อาจารย์สอนอะไร ความรู้ทางเข้าใจของตัวมีหรือไม่ที่จะแสอนบุคคลผู้อื่นให้เข้าจิดเข้าใจในอาณาธรรมไม่ได้คำนึงคำนวณถึงเลยถ้าหากคานึงคำนวนถึงการปฏิบัติปฏิบัติของตนตั้งแน่วิชาปฏิบัติอยู่ทุกการทุกเวลามันขยันธรรระกายรายจ่ายจิตของตน บุคคลผู้นั้นถึงจะไม่ไปศึกษาวิชาความรู้มาจากที่อืน่นจะได้ความรู้ความเข้าใจในการจะทำบำเพนขอครงสนเทธาเกิดความเชื่อความเลื่อมใสในตัวของตัวเองบุคคลผู้อืน่นมาเห็นเข้าในขอวัดปฏิบัติในการจะทำบำเพ็ทของท่านก็เกิดความเลื่อมใสในขอวัดปฏิบัติยิ่งได้ศึกษาอัททำ ทาง้านจิต ด, ด้านใจก็ยิ่งเหวี่ยนใสยิ่งใหญ่ขึ้นไปเพราะความกระทาบําเพนที่ตัวของเราทํามันดีเด่นอย่างนั้นในตรงไปศึกษาเราเรียนวิชาความรู้มาจากที่อื่นก็พอจะเน้นแต่สอนคนได้เพราอจะเน้นแต่สอนคนอื่นได้ส่วนการไปไปศึกษาสําหรับตำราหรือศึกษาส่วนอืน่นศึกษามาเท่าไหร่ ถ้าหากทางใจไม่รักษาทางภาวนาไม่บำเพ็ญมันก็เป็นขันยาเลยเชียลืมลืมหลงหลงใช้ประโยชน์ไม่ได้เราก็รู้อยู่ว่าตำราไม่ใช่ตัวยาตัวยาแต่สมมติไปว่าอะไรก็สมมุติไปได้แต่ตำรา ไม่สามารถที่จะแก้ไขโรคไข้ของผู้ที่ป่วยให้หายส่วนยาจะเป็นยาอย่างไหนก็ตามรากมาไม้หรือจะเป็นยาสเร็จรูปก็าตามถ้าหากถูกต้องกับกไคไข้ไข้เจ็บของคนแล้วก็เป็นยาทางนั้นสามารถที่จะต้านทานโรคไข้ให้หายไปได้ ฉันใดทำสั่งสอนของพุทธเจ้าเป็นอย่างนั้นถึงเมอไม่แต่กองกวดตาหากศึกษาได้แต่ไม่ปฏิบัติตามทำสั่งสอนเหล่านั้นก็เหมือนกันสัตยตำรายาจะไปอ่านให้คนไข้มันหายก็ไม่มีวันมีเวลาคนไข้จะหายจากโรคจากใครไปได้แต่ถ้า ไม่ต้องรู้ตำราแต่ถ้าว่ารู้ตัวยายาที่เราได้มาเป็นตัวยาจริงจังสามารถที่จะกำจัดโรคภัยได้ไม่ต้องกินไปหมดทุกขนานคำสอนของพระพุทธเจ้าที่สอนไว้ไมีมากมายห่ายกองแต่ถ้าว่าโรคภัยสิ่งเรียกว่าบกิเลสปันหา เราไม่ต้อไปติดตามตาม <c oughs> สำหรับตำราที่ท่านสอนเอาไว้ทุกแง่ทุกมุมทุกสิ่งทุกอย่างมาที่นิี่จารณาส่วนใดที่เกิดเป็นเห็นครัดในตัวของเราว่าเราเป็นโรคส่วนนั้นหรือเหลยอส่วนนั้นเข้ามาเบียดเบียนหรือบีบบังคับใจของเราเราก็ต้องพิจารณาทำที่พร ะ, ะพุทธเจ้า แ่สอนไว้ยงังบทใดบทหนึ่งเท่านั้นที่เหือจันหามานะที่จิที่มีอยู่ในจิตในใจโก็เหยียดหายไปได้ไดเดรอนนั้น <c oughs> ทางพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าแงสอนพวกนักปฏิบัติการผูดจาปลายสายกันทันชิ่งให้ผูดในสันเลขาจักระที่กระา ซึ่งเป็นเรื่องครูเราเขาเกลิดสททัน เ, เลขาแต่ขาพวกเราทั่วไปที่เคยสํานตำรตำาก็เคยจะรู้จะเข้าใจเคยจะพบแต่คนที่แม่ผ่านตำรารี่ไม่เคยศึกษาก็จะไม่เข้าใจว่าสันเลขาแต่ขานั้นคืออะไรท่านบัญญ <c oughs> ัติเอาไว้สิบข้อ เรื่องกัญเลขาตถาข้อหนึ่งท่านบอกว่าอับิตเสตตาให้เป็นผู้มักน้อยทำว่ามักน้อยพระพุทธเจ้าทรงสัญเลิศเสินทางโลกมักน้อยเขาไม่ชอบใจเป็นบางสิ่งบางอันเขาอยากได้มากแต่ทางทำพระพุทธเจ้าสัญเลิเสินเยินยอ่อทางมักน้อยว่าเปลียนขอปฏิบัติสําหรับ กำจัดทพิเหนตปัญหามักน้อยอย่างไรมักน้อยในที่อยู่ที่อาศัยในทีวรลินทบาตในหยุกในยานี่เป็นมักน้อยทางฝ่ายเขาอยู่ไหนทาเป็นคนมักใหญ่ฝ่ายสูงที่อยู่ที่อาศัยก็อยากจะให้ใหญ่ให้โตอยากจะให้สวยให้งานคนนั้นไม่มีเวลาที่จะ ได้เดินตรงกลมภาวนาที่จเจรินาจิตใจของตนจะมวเมาแต่การก่อสร้างด่านวัตถุทีวรเล่าถาหักมักสวยมักงามมักใหญ่มักโตได้อย่างนี้ไม่พอใจอยากด่านสวยงามๆอย่างนั้นอย่างนี้ก็อีกแหละถามักใหญ่มากๆยกะไปงานนั้นใส่ชุดนั้นใส่งานนั้นใส่ชุดนี่นี่มังมากเข่า การรักก็ลำบากการเี็บการรักษาก็ลำบากจะไปมาหาสู่ที่ใดก็หาผัวหามไปไม่ไหวน่าจีวรบินทาบาทจะเหมือนกันถ้ามากมากลำบาเกเี็บนั้นทันจริงห้มีโฟเซเนมาตันยิตารู้จักประมาณในการบริโภคครบถันจะมีมากกินให้มากจนท้องแตกตายมันก็ได้สำหรับที่สุสา ม, มนเนร ในบางวันบางเวลาแต่ท่านไม่ฉันได้เสื่อนอย่างนั้นท่านฉันได้เสื่อมให้มักน้อยทางคำเนด่านจิตใจแล้วคนมักน้อยยอมได้เสียบคนที่มากมากเพราะเหตุใดอารมณ์สัญญาในในใจของพวกเรามันมากเลือเกินตาได้เห็นหูได้ยินลิ้นถูกลดด้วยใจหมูถูกกินกายถูกสัมผัส เก็บมาเป็นเอารมณวุ่นวาอยู่ทุกวันทุกเวลาจะผ่านมาเป็นสี่ีสีเดือนมันก็เรอะเลือนดนิดติดตามไปได้ในบางสิ่งบางอย่างทำคาสั่งสอนที่เราได้ยินได้ฟังจากครูบาอาจารย์มาผมหามงไต่ตายฟองอีกเหมือนกันที่ท่านสอนให้มากน้อยก็คือว่าถ้าหากเราจะเอาตำแบบตํารามาอ่านมาว่ากัน ม่หยุดไม่ถอยและยิ้มมาจากที่ไหนก็จะกระโดดติดตามไปตามสัญญาอารมณ์ที่ตนเคยได้สดับรับฟังมามันกวเสียอีกท่านจิงให้มักน้อยในธรร ม, มจะบริกรรมก็ให้บริกรรมจริงๆแจัง ๆ, ๆจงจะภาวานาเอาัยว่าร่างกายอย่างอสุภะอสุภังก็ให้ที่จริจริงจงแจ้งแจ้งถ้าทำเที่ยวขืนในใจได้ เป็นอย่างนั้นคนที่มากน้อยในธรรมด้วยส่วนใหญ่สำเร็จเร็วไวยิ่งกว่าคนที่มากมากเพราะตั้งใจจะทำจริงจริงจังๆในงานด้านประเติปฏิบัติจะบริกรรมพุทโธ ท, รทรมโมสังโฆกบริกรรมเอาจริงๆริงจังๆจะกำหนดลมหายใจกับกำหนดจริงจริงจังๆปุๆ ศรัทธาความเชื่อว่ากรรมฐ า, านเหล่านี้แหละจะแก้ไขกิเลสตัณหามาหน้าที่จิตในตัวของเราออกได้ส่วนการไปจิตตามสัญญาอารมณ์ต่างๆเราเคยจิตตามมากๆปรุงอะไรเราคิดไปตามไปปรุงอะไรเราม่เด็กกําหนดสั้งวรลอยให้ใจไปสังคมในอารมณ์ต่างๆถ้าหากอารมณ์ส่วนนั้น มันเป็นฝ่ายดีฝ่ายดีจะแก้ไขมานาจิติหรืออวิชาตัญหาอุปาทานได้พวกเราทั้งหลายเคยละลึกลกคิดกันมานมนานคงจะเรื่องที่เหลืตัญหามานาจิติคงจะไม่มีในจิตในใจนี่ในอย่างนั้นคิดไปเท่าไหร่ยุ่งไปเท่านั้นคิดไปเท่าไหร่ไม่มีวันอิ่มพอเหตุนั้นท่านจชื่ให้มากน้อย จะทําอะไรต้องทํากันจริงจริงแจงแจงบริกรรมกับบริกรรมจนให้จิตสงบเดีย๋ยวสังเกตลมหายใจกาหนดลมหายใจกดทํำจนให้จิตสงบอารมณ์สัญญามันจะมีสี่หมื่นสี่แสนสี่ล้านมาผ่านเข้าอย่าไปเอาใจใส่เพราะส่วนสัญญาอารมณ์ส่วนนี้เราเคยระลึกเลือกคิติดตามมาแล้วไม่เคยให้ความสุขความสงบอย่างไรเกิดใจของเราเราไม่เชื่อเราไม่ยินดีตัดมันชิ่งปล่อยมันชิ่ง กำหนดอยู่เฉพาะอารมณ์ของกรรมฐานที่เป็นคิดว่าอารมณ์วนนี้จะทำจิตทำใจของคนให้ผองใสหรือให้สงบเท่านั้นมีในเชื่อามักน้อยพุทธมักน้อยอย่างนี้แหละในครั้งพุทธการได้สำเร็จมากมายหลายกองจะยกตัวอย่างก็ได้อย่างฮาจิระบันทก กบฏลิขตกรรมและโซหาระนังหาระนังคนนั้นหรือพวกตะดินสางพันธ์สามคนก็ฟังทมอธิษฐานปริยาญสูตรที่พระพุทธเจ้าทรงสอนว่าอายจตนะภายหนอกภายนเป็นของร้อนว่าเหนื่อยราคะโทสามโมหะทันที่จะได้นะเท่านั้นนี่ยก่ได้่สาเร็จอรหัตอรหันมีตัวอย่างผมไปผู้มากน้อยผู้มากมาก เคยเสียหายมาผลอย่างในตำรับําราทาา่านสาวถึงเรื่องโภธิรัตเคยศึกษาธรรมะธรรสั่งสอนของพระพุทธเจ้าจนจบแค่ไปจดแต่แเป็นครูใหญ่อาจารย์ใหญ่สอนบริษัทถั่วไปแต่เขาเป่าพระพุทธเจ้าสาวใดพระพุทธเจ้าโภธิรัตคื อ, อใบลานป่าไม่มีอะไร ในจิตในใจของตนจำได้แต่สัญญาเท่านั้นทางจิตใจภายในป่าประโยชน์หาความเป็นสมาธิไม่มีในจิตในใจเมื่อพระพุทธเจ้ากล่าวอย่างนั้นเกิดความสรดสังเวชใจดีตัวออกไปเพื่อปฏิบัติการเป็นครูเป็นอาจารย์ผู้หลักผู้ใหญ่ขนาดนั้นจะไปศึกษา อกอลัมบ่าญากอยู่กว่าจะมีผู้รับเป็นครูเป็นอาจารย์เพราะเขาถือว่าเป็นผู้ที่มีความรู้สูงหรือเป็นผู้หลักผู้ใหญ่หาครูจะแนะสอนอยากแต่หากโปรเทร์ลคนนี้ถามาพิจารณาดูปฏิเสธาเรื่องการเยศศักด์มาหน้าทิพย์หน้าบูชาอย่างยิ่งเพราะท่านเป็นครู ผู้หลักผู้ใหญ่ี่สิทยิญาณุสิทิตั้งห้าร้อยคนที่ไปศึกษารับที่สู่อารมาเนียนศึกษากับท่านท่านสอนท่ายัิเพราะท่านสลดใจที่พระพุทธเจ้ากว่าว่าโปธิรัตก็ไม่ลาหมูลาพวกเลยออกไปกับพฤ่อปฏิบัติในสำนักสิทท่านไปศึกษาอาสัยสำนักนั้นเป็นพระอาหารหันต์ทั้งหมดตั้งแต่ พระเถระยังจะท่านสามเณรพอเขาไปศึกษาพระเถระท่านก็ไม่รักไม่มีที่ชาต้องรููอะไรทางอาจารย์ทางอาจารย์ศึกษามาทุกสิ่งทุกอย่างนะผมไม่สามารถที่จะสอนท่านท่านก็กราก็ไหวอ่อนวอนอยากจะให้แม่สอนแต่พระเถระท่านก็ไม่รักเลยบอกไปหาอนุเถระ อนุเทละก็ปูดอย่างเดียวกันเรื่อยๆลงไปจนถึงสามะเนนที่บวชใหม่และอายุเพียงเจ็ดขวบ่านั้นไปอ่อนวอนขอสามะเนนเป็นที่ฝึงที่อาศัยสามะเนนกดอยากจะทดลองว่าชีวิมานะของอาจารย์คนนี้จะละถอนได้จริงจังหรือไม่ก็ลองทดลองดูให้คล้องผ้าใส่ส้งคาติลงไปในานา้า พอลงไปแต่ก็ลงไปจริ ง, ง, จ, งพพจริงยังจังไปพอผ้าเกือเกลี้ยงก็บอกขึ้นมาแล้วต่อทดลองไปหลายอย่างเห็นว่ามันมีมานะที่จริงจังสามมณานนีนิชสอนการสอนของสามมณีนิชสอนบอกว่ามีจอมปลวกแห่งหนึ่งมีเหี้ยใหญ่ตัวหนึ่งเหี้ยตัวนั้นมันอาศัยอยู่ที่จอมปลวกแต่มีรูมันออก ถึงหกแห่งผู้ที่เะยจับเหียตัวนั้นได้ก็ต้องติดรูเสียถึงหาแห่งถึงค่อยขุดเข้าไปตามรูแห่งเดียวจะจับเอาเหี้ไดักพอมาเจียบก็อายตนะทั้งหกนี่นแหละตาหูจมูกลิมกายแล้วก็หายีจเรีนาเรื่องของใจเที่ยงสามาเนนสอนเท่า น, นั้นเนี่ยทำเหล่านี้ท่านก็คงจะเคย สอนคนอื่นมาเหมือนกันเพราะท่านสอนที่สื่อสามะเนรจังหาลอยองแต่ท่านเน่ได้เอาจริงเอาจริงพอถูกสามเนรสอนอย่างนั้นเกิดสลดใจพรอเอ่ยทําพูดขึ้นก็ตั้งใจที่นี้ที่จะานาราตามประพฤติปฏิบัติตามผลที่สุดท่านสอนของสามะเนรที่เป็นอาราหันต์แต่บวชใหม่อายุยังเจ็ดขวบอย่านั้นท่านก็เลยปฏิบัติจนสําเร็จเป็นพาาระอรหันต์นี่ การมักน้อยจึงเป็นของสําคัญถา้ามากๆลาบากอะไรทั่วไปลําบากโสดสงครามมากๆไม่ว่าเป็นพระไม่ว่าเป็นพระวาัตยุ่งที่เรายุ่งทุกวันนี้ลําบากทุกวันนี้เป็นทุกทุกวันนี้ก็เ็อตเสียที่เรามักมากอะไรที่เราถือว่าเป็นสมบัติของเราอะไรที่เราถือว่าเป็นของของเราส่วนนั้นแหละทําให้จิตยึดจิตถือจิตข้อง พ้เราละส่วนเหล่านั้นได้จิตใจจะต้องเย็นจะต้องสบายไม่กังวลวุ่นวายกับเรื่องเหล่านั้นมันจะเป็นจะตายจะเสียจะหายจิตใจก็ไหมเป็นห่วงพอเราละมาได้ถอนมาได้ไม่คิอว่าเป็นของของเรามัดหน่อยจิ่งค่อยเป็นความสุขความสบายทางจิตทางใจผู้ที่ก็พึ่งปฏิบัติเพื่อพ้นจากโลก ถ้าหาเป็นผู้มักน้อยในธรรมอาศัยทำน้อยนั่นแหละเป็นเสียงกำจัดป่าเต่าที่เหลือปัญหาจริงจังแล้วบุคคลผู้นั้นจะเป็นผู้ที่สำคัญคนหนึ่งในทางพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าทรงกล่าวว่าการมักน้อยเป็นมงคลอย่างนี้เหตุนี้พวกเราทั่วไปจิตใจของเราทุกวันนี้มันมักมากหรือมักน้อยอย่างไร ใรพิจนารณาจิตใจข่องสนมีเป็นบทขามข้อหนึ่งถึงพระพุทธเจ้าสอนให้พูดกันเพราะการพูดกันอย่างนี้ไม่เกิดมานณพิจิการพูดกันอย่างนี้เป็นเรื่องที่จะได้พิจนารณาจนคล่องตนเพื่อแก้ไขปมด้อยคือที่เด่นปันหาออกจากใจข้อที่สองต่อไปคัว่าสันติสีคือให้ยินดีตามมีตามได้ขล่องสน เราทุกคนไม่เป็นอย่างนั้นได้อย่างนี้อยากจะได้อย่างนั้นใจมันไม่อยู่ไม่ขององตนเหตุนั้นจึงกังวุ่นวายไม่ยินดีไม่มีสั้นจุดขี่ถ้ามีสั้นจุดขี่จะต้องมีความสะดวกสบายสันจุดขีคือความยินดีตามมีตามได้อ ว, วัยวะร่างกายของพวกเรา นี่ก็เป็นสันตุ้ดทีอย่างหนึ่งซึ่งจะแก้ไขได้ยากอีกเหมือนกันเราสูงเราตา่ำเราดำเราขาวได้มาอย่างไรให้ยินดีตามทีมมีที่ได้ของตนอย่าไปดัดแปลงแก้ไขส่วนของไพ่หนอ่อจีวรนินทบาทเจนะชนะข้าหากว่าเรายินดีตามมีตามเกิดตามมีตามได้ของตนก็สบายอีกเหมือนกันให้แล้วเล็กเล็กดูบุนว่าจะนาของตนว่า ตัวของเราพะพึ่งอย่างทำอย่างนีเขาให้ของอย่างนี้พอดีกับตัวของเราไม่ต้องเถ่อเถือไปเรื่องอันอื่นได้อันนี้อยากได้อัน น, นูไม่มีเมืองพอีวานหาสามองเลยไม่รวยเกิดงดงามก็ไม่อยากไดท้ทั้งทั้งที่เรามีอยู่ก็อยากจะทิ่งไปเสียอยากได้อันใหม่ใจที่คิดอย่างนั้น ไม่มีวันมีเวลาที่หยุดเจ็บสบายผู้ใช้ใจจริงว่าชั้นสุดขีดตละมังทนังผู้ที่มีชั้นสุดขีในจิตในใจคือความยินดีตามมีตามได้ท่องตนจึงเป็นผู้ที่มีความสุขอย่างแท้จริงส่วนคนที่ในยินดีตามมีตามได้เป็นทุกข์ลำบากผูดจึงของภายนอกส่วนการปฏิบัติภายในก็ให้ยินดีตามมีตามได้ท่องตนอีกเหมือนกันคือให้จิตอยู่ในเรื่องปัจจุบั man, man, นะ อย่าไปส่งเราทําอย่างนี้จะได้มากได้ผลไหมเราทําอย่างนี้จะเสียจะหาอย่างไรอย่าไปส่งไปจิตใจของเราเป็นอยู่อย่างไรเรารู้จักว่าจิตใจของเราเป็นอยู่อย่างนั้นรักษาทำปัจจุบันในตัวของตัวเรียกว่ากันสุขีคือยินดีในข้อวัดปฏิบัติของตนยินดีในการจะทําบําเพ็ญของตนแต่ให้มีปัญญาสืบเหตุมองผลอีกเหมือนกันการยินดี ในอารมณ์สัญญาหรือการยินดีในกรรมฐานมันมีการคิดอ่านไปนอกหรือไม่ถ้าหากมันคิดอ่านไปเรื่องนอกก็แห้ตัดมันเสียเต่ามันเสียปล่อยมันเสียใครมันยินดีในหน้าที่การชำร ะ, ะสาสางของตนอย่าไปมุ่งกว่าท้อย่างนี้จะไม่ได้มัดในผลจะไม่ถึงความหลุดพ้อย่างนั้นอย่างนี้แต่เราทำอยู่ไม่หยุดในถอยทำอย่างนั้นแหละ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 ไม่ยินดีไม่ทำคำสั่งสอนที่พระพุทธเจ้าทรงแนะสอนว่าให้ทำอย่างนั้นเรายัง <c oughs> ไม่เชื่อฟังอยากจะทำอย่างนั้นอยากจะทำอย่างนี้ไปมีอะไรชื่อว่าผู้ไมีสันติสุขโดดนูน้นโดดนี้คนที่สุดเลยไม่ได้อะไรพอเข้ามาฝึกปฏิบัติในวัดในวาหรือเข้ามาบวชเป็นพระเป็นเนร เขาว่าเรียนดีก็ อ, อยากไปเรียนกับเขาเราว่าเป็นกรรมฐานดีก็ อ, อยากไปกรรมฐานกับเขาเขาว่าที่นูน้นสะดวกสบายดีประเทศปฏิบัติง่ายอย่างนั้นอย่างนี้ออก็อยากไปที่นั้นอากาศดีที่นั้นร่ำรวยอยากไปใจไม่อยู่กับตัวใจไม่มีการระวังสังวร อ, อย่างนี้ไม่เชื่อสันตุสิคนี่อยู่สถานที่นี้ อยากจะไปทําความเพียรอยู่สถานที่นู้นไปสถานที่นู้นก็คนเก่านั่นแหละมันจะหลอกลวงเราไปหลายแห่งหลายหนผลที่สุดคนเลยเข้าเลยแก่เลยล้มเลยตาได้ปะ่ะเอาจริงเอาจังไม่ได้ถ้าหากเอาคนเอาจริงเอาจังอยู่สถานที่ใดตายใจเรามีวิเลี่ยมีเ ร, เราจัดชำระอยู่สถานที่ใดตั้งใจภาวนาะตั้งใจกําจัดตั้งใจตั้งใจรักษาทำดีท่องตนผลที่สุดคนนั้นจะมีกับไร ดีกว่าคนที่มากใหญ่ไปสูดสันติขีจึงมีในตัวของพวกเราทุกคนที่จะสืบสอบเหตุผลและที่นิธิเจอเนี่ยนเพิมข้องผลให้เกิดความพอใจให้เกิดความสุขความสบายด้กายวิเวกตาข้อที่สามท่านว่าให้พูดถึงเรื่องวิเวกวิเวกก็ ม, มีกายวิเวกจิตวิเวก อุปทิเอย่างนี้เนี่ยมัมีหลายอย่างกเรศท่าหาพูดยิ่งกาเรกก็คือการอยู่ในที่สงบสงัดการอยู่ในที่สงบสงัดไม่พุช่าดโดยประชุมชนหรือรบเสียงต่างๆสถานที่อย่างนั้นพระพุทธเจ้าเคยแตทําบำเพ็ญมาครูบาอาจารย์ เคยจะทำมร็คมาผู้ที่ตั้งมั่นอยู่ในศาสนาผู้ที่มีวิชาความรู้ผู้ที่อยู่มั่นคงในศาสนาโดยส่วนใหญ่ที่มีจิตใจสูงท่านเคยไปแสวงหาสถานที่อย่างนั้นเพราะสถานที่อย่างนั้นวิเวทอย่างนั้นตายวิเวทประกอบจิตตาวิเวทได้สะดวกสบายเพราะรูปไม่มาผ่านเสียงไม่มาผ่านเราจะกําหนดอะไร ก็สะดวกกายสบายใจคิดเรื่องละเอียดถ้าหากมีเรื่องอื่นพุกผ้าผ่านเข้าคิดยากถ้าหากไปมีเรื่องอะไรมาพุกผ้าเราคิดได้ของละเอียดจึงควรอยู่ในที่สงบจิงที่เจริญนาออกมีเรื่องจิตใจของเราเป็นเรื่องละเอียดอันหนึง่งเราต้องหาผี่วิเวก กายเวกจึงเป็นเหตุให้จิตวิเวกได้จิตวิเวกเกิดอุป च ีวิเวกได้อีกเหมือนกันถ้าหากมาเทียบเรื่องนอกกายเวกก็คือเรื่องจิตมีศีลบริสุทธิ์บริบูรณ์จิตวิเวกก็คือสมาธิอุป च ิเวกก็คือปัญญาเรื่องเหล่านี้จะเกิดขึ้นก็อาศัยสถานที่อาศัยการจะทําบําเพ็ญจริ ง, จ, ง, จ, งจริงแจงแจึงจะเกิดขึ้นได้ วิทยาเขจงเป็นอุปกรณ์สำคัญที่พวกเราทุกท่านจะควร ท, ที่จะรายนาออสังขะจะดานเป็นข้อต่อไปือการเชินถ่ายในการทุกทีตีโมกับหมู่กับคณะการทุกทีกันหรืออยู่รวมกันหลายท่านหลายคนเพื่ความแม ลองลองสามารถีกันเกิดความแย่งแย่งกันเกิดความขัดียงกันคือหน้าที่มากขึ้นธรรมดาอยู่หลายคนที่อยู่ที่อาศัยก็จะต้องสร้างขึ้นเพียงพออาหารการกินก็จะต้องจัดต้องทำเพียงพอการอยู่คนเดียวการไม่กกุกขีในหมู่ในคณะมันสะดวกสบายพระพุทธเจ้าจึงสอนว่าเป็นธรรมอันหนึ่งซึ่งผู้ นักปฏิบัติเพื่อข้ามจากโลกจกที่นี้ที่จะเลยนาการคุกคีกันท่านเหมืกันนะเสดคุกคีอี่ยมคนอื่นก็เป็นอย่างนั้นอยู่ร่วมกันหลายคนเกิดใจต้องรับผิดชอบซึ่งกันแลกกันคนหนึ่งป่วยคนหนึ่งเจ็บเยวคนหนึ่งสบายมันหลายอย่างาาทุรนทุรีถ้าอยู่คนเดียว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 แต่ส่วนใจที่ว่า <c oughs> สังขะใจผาการแม่ละคนกับสัญญาอารมณ์เป็นของสําคัญเหมือนกันใ ห, กให้พวกเราทุกท่านมันที่นี้ทนะี่เจนสัญญาอารมณ์ที่เราเคยสังคมปรุงแต่งและคิดามจิตทำใจของเราให้เร่าร้อนหรือเสียงแหายมากมายตายก่อนส่วนจิตของเราที่ดิ่งลงไปสู่ความสงบ แม้รัคนเกี่ยวข้องกับสัญญาอารมณ์ต่างๆเป็นอย่างลงไปสู่จิตเป็นเอกัยตามีความสุขความสาบายอย่างไราหากเราพิจาราน่อมธรรมะส่วนนี้มาเป็นภายในก็จะได้ผลได้กาไรอเหมือนกัน